เตระสกันว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สิบห้ามทำสงฆ์ให้แตกกันเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเวรุวนารามเช่นเคยแล้วเล่าเรื่องพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกฎโมโรติสกะและพระสมุททัตชักชวนให้ทำสงฆ์ให้แตกกันพร้อมทั้งบอกแผนการ ที่จะเสนอไปในทางให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น5ข้อซึ่งเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงไม่ทรงอนุ ญ, ญาตและตนจะได้นำข้อเสนอนั้นประกาศแก่มหาชนข้อเสนอ5ข้อคือ 1. ภิกษุพึงอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าละแวกบ้านต้องมีโทษ 2. ภิกษุพึงถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตผู้ใดรับนิมนต์ คือไปฉันตามบ้านต้องมีโทษ 3. ภิกษุพึงใช้ผ้าบางสุกุลจนตลอดชีวิตผ้าบางสุกุลหรือผ้าเปื้อนฝุ่นคือผ้าหรือเศษผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้างตามที่ต่างๆบ้างนํามาซักและปฏิ ป, ปต่อเป็นจีวรผู้ใดรับครืหบดีจีวรนคือผ้าที่เขาถวายต้องมีโทษ 4. ภิกษุพึงอยู่โคนไม้จนตลอดชีวิตผู้ใดเข้าสู่ที่มุงคือที่มีหลังคาต้องมีโทษ 5. ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสัตว์ผู้ใดฉันต้องมีโทษภิกษุเหล่านั้นเห็นมีทางชนะก็ร่วมด้วยพระเทวทัตจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลข้อเสนอทั้งห้าข้อนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะอยู่ป่าก็จงอยู่ป่าผู้ใดปรารถนาจะอยู่ในละแวกบ้านก็จงอยู่ในละแวกบ้านผู้ใดปรารถนาจะเที่ยวบินธบาตก็จงเที่ยวบินธบาตผู้ใดปรารถนาจะรับนิมนต์ก็จงรับนิมนต์ผู้ใดปรารถนาจะใช้ผ้าบางสุกุลก็จงใช้ผ้าบางสุกุล ผู้ใดปรารถนาจะรับคฤรหบดีจีวรคือผ้าที่เขาถวายก็จงรับคารหบดีจีวรเราอนุญาตที่นอนที่นั่งณโคนไม้ตลอดแปดเดือนที่ไม่ใช่ฤ ด, ดูฝนเราอนุญาตเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเจาะจงจะให้ภิกษุบริโภคจะเห็นได้ว่า พระดํารัสตอบของพระพุทธเจ้าเป็นในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอนุโลมให้เหมาะสมกับกาลเทศะพระเทวทัตดีใจจึงเที่ยวประกาศให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อเสนอที่ดีของตนทำให้คนที่มีปัญญาสามบางคนเห็นว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มกักมากแต่คนที่เข้าใจเรื่องดี กลับติเตียนพระเทวทัตความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่ส่วนพระเทวทัตเมื่อรับว่าเป็นความจริงแล้วจึงทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุภาคเพียนทําสงฆ์ให้แตกกันเมื่อภิกษุอื่นห้ามปรามไม่เชื่อฟังภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศเพื่อให้เธอเลิกเรื่องนั้นซะ ถ้าสวดประกาศครบ3ามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงลักษณะไม่ต้องอาบัตคือ 1. งสงไม่สวดประกาศ 2. เธอละเลิกซะได้ 3. ภิกษุเป็นบ้า 4. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัต สิกขาบทที่11อห้ามเป็นพักพวกของผู้ทาสงฆ์ให้แตกกันเนื่องมาจากสิกขาบทที่สิบคือภิกษุโกกาลิกะเป็นต้นสนับสนุนพระเทวทัตว่าไม่ควรติเตียนพระเทวทัตพระเทวทัตพูดเป็นธรรมเป็นวินัยต้องด้วยความพอใจของตนภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนภิกษุ พวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ภาคเพียรทำสงฆ์ให้แตกกันนั้นความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ได้ความจริงแล้วจึงทรงตีเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามสนับสนุนภิกษุผู้ภาคเพียรทำสงฆ์ให้แตกกันถ้าห้ามไม่ฟังให้ภิกษุทั้งหลายสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทส่วนลักษณะที่ไม่ต้องอาบัตก็คล้ายกับสิกขาบทที่สิบมีเพิ่มภิกษุมีจิตปุ้งสร้านมีเวทนากล้าอีกสองข้อสิกขาบทที่12สองห้ามเป็นคนว่ายากสอนยากเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนโคสิตารามใกล้กรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระชันนะประพฤติอนาจารหมายถึงความประพฤติอันไม่สมควรภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวพระชันนะกลับว่าตีเตียนภิกษุทั้งหลายจึงพากันติเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงใต่สวนได้ความเป็นจริงแล้ว จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำตนเป็นผู้ว่ายากถ้าไม่เชื่อฟังภิกษุทั้งหลายสวดประกาศเตือนถ้าครบสามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดส่วนลักษณะที่ไม่ต้องอาบัตอย่างเดียวกับสิกขาบทที่สิบ สำหรับพระช น, นะรูปนี้เคยตามเสด็จเมื่อคราวทรงผนวชจึงถือตัวว่าเป็นคนสาคัญไม่ยอมให้ใครว่ากล่าวกลายเป็นคนดือ้อว่ายากใครปราบไม่ลงพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้สง์ลงพรหมทันคืออย่าให้ใครว่ากล่าวตักเตือนหรือพูดจาด้วยจึงกลับตัวได้ในที่สุดสิกขาบทที่สิบสาม ห้ามประทุดสร้ายสกุลคือประจบขรือหัดเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนาเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุเร็วๆที่ชื่อว่าเป็นพวกพระอัศชิและพระปุณณพสุกกะเป็นภิกษุเจ้าถิ่นอยู่ในชนบทชื่อว่ากิตาสิริเป็นพระอลัชชี ภิกษุเหล่านั้นประพฤติอนาจารมีประการต่างๆเช่นการประจบเข้ารือหัดทำสิ่งต่างๆให้เขาเล่นสนต่างๆหมายเหตุเข้ารือหัดแปลวว่าผู้ครองเรือนไม่ใช่นักบวชมีภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีผ่านมาพักณชนบทนั้นเพื่อจะเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ภิกษุนั้นเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยอาการสำรวมแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่ชอบเพราะไม่แสดงอาการประจบประแจงเหมือนภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณณพสุกะจึงไม่ถวายอาหารแต่อุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้เข้าใจพระธรรมวินัยถูกต้องเห็นเข้าจึงนิมนต์ภิกษุรูปนั้นไปฉันที่บ้านของตน สั่งความให้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพสุกะประพฤตตนไม่สมควรต่างๆความทราบถึงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนและทรงบัญญัติศิขาบทมีใจความว่าภิกษุประทุสร้ายสกุลคือประจบคฤหัสทอดตนลงให้เข้าใช้มีความประพฤติเลวสามเป็นที่รู้เห็นทั่วไป ภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวและขับเสจจ่ที่นั่นถ้าเธอกลับว่าตีเตียนหมายถึงภิกษุผู้ทำผิดนะครับภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศให้เธอละเลิกถ้าสวดครบสามครั้งอย่างดื้อดึงต้องอาบัติสังฆาทิเศตต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงลักษณะที่ไม่ต้องอาบัติเหมือนสิกขาบทที่อ พึงสังเกตว่าตั้งแต่สิกขาบทที่สิบมาถึงสิกขาบทที่สิบสาที่เรียกว่ายาวตติยกะนั้นต้องสวดประกาศครบสามครั้งจึงต้องอาบัต